มาแลว้ลวแล้วเริ่มรำเรียนถึงลําบากภาคเพียนรำเรียนเวียนสู่ไฟรู้วิชาเกิดความทราบซึ้งซึ้งตรงองพระสัมมาและสาวกของพระาศาสจดาที่ต่างภาค แเหล่าพระราหารลวงล้วนชนต่างชั้นร้อยพันคงเผ่าล้วนแต่มาราเผ่าธรรมะจากพระพุทธองค์เป็นเครื่องนำน้อมทำดำรงกิเลสลดลงอย่างคง ม, มั่น จึงแสนอยากยิ่งล้นลอนทุกหมือนท่านวางไว้มันต่้งความฝันขึ้นในใจแล้วมันภาคเพียนรำเรียนเพียนรำไป จบปรเรียนเมื่อไรจะไปทูดลงปรเรียนสามร่มเรียนจบลงจะถือทู ด, ดงออกปฏิบัติธรรม เมื่อได้ศึกษาธรรมะอ่านพุทธป ร, ระวัติของพระพุทธเจ้าและเหล่าสาวกผู้สำเร็จพระอรหันต์จิตใจก็ใฝ่ผูกพันดูดดื่มซึมซับพพรับรู้ความเป็นอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าพระสงฆ์องค์บริสุทธิ์ในสมัยแห่งพุทธกาลพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเหล่านั้นออกบวชในตระกูลต่างๆกันเช่นพระราชายาจกวณิพกกระดุมผีพ่อค้ามหาเศรษฐีนักรตก็มากมีคนธรรมดาก็มากมาย อีกทั้งคุณนางน้อยใหญ่ฝ่ายในของวงพระญาติต่างเข้ามาน้อมรับพระธรรมและจดจําพระอาวาตแล้วออกปฏิบัติธรรมตามป่าโคตเขินแนวเนินพงไพรเดี๋ยวองค์นั้นสําเร็จพระอรหันต์ตรงนั้นเดี๋ยวองค์นี้สําเร็จตรงนี้ตรงเงื่อมผาชะโงกงำตามถ้าอันสงบเย็นตรงโน้นจิตใจก็อ่อนโยนมีศรัทธายิ่งขึ้นเรื่องยางอื่นภายนอกก็ค่อยออค่อยคลายค่อยจางห่างหายห่างจิตใจออกไปทุกทีจนในที่สุด ก็ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าหากเรียนจบป ร, ริญญาธรรมสามประโยคแล้วเราจะออกปฏิบัติธรรมโดยถ่ายเดียวไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขเพราะอยากพ้นทุกทางใจเหลือกำลังพูดง่ายๆให้ฟังก็คืออยากเป็นพระอรหันต์นั่นเองแต่ก็ยังไม่ไวายมีความสงสัยอยู่ในใจว่าในยุคแห่งปัจจุบันนี้นั้นยังจะมีพระอรหันต์อยู่อีกหรือไม่หนอ